หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่สวิธีปฏิบัติ12ประการเพื่อจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่8สูตรซึ่งจะบรรดาลผลมหัสจ ร, ร์แก่ท่าน อย่าลืมว่าบุคคลใดก็ตามอาจจะทำความผิดอย่างไม่มีทางแก้ตัวแต่บุคคลนั้นจะคิดว่าเขาไม่ผิดเลยท่านจงอย่าปรักปรำลงโทษเขาผู้นั้นเพราะการกระทำเช่นนี้คนโง่ทุกคนย่อมทำได้ท่านจงพยายามเข้าใจเขาให้ทีท้วนท่องแท้เพราะการพยายามเข้าใจการกระทำของผู้ผิดคนฉลาดคนที่มีน้ำอดน้ำทนและคนที่มีคุณสมบัติพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติได้ ด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วคนเราจึงมักจะคิดและกระทำตา ม, ตามความคิดของเขาซึ่งในสายตาของท่านอาจจะเห็นว่าผิดถ้าท่านพยายามค้นหาเหตุผลของเขาท่านจะเข้าใจในการกระทำของเขาหรืออาจจะเข้าใจในอุปนิสัยของเขาด้วยก็ได้จงพยายามอย่างสุดริตใจที่จะสมมติตัวของท่านเป็นตัวของเขาถ้าหากท่านจะบอกตอนเองถ้าฉันอยู่ในฐานะเดียวกับเขาฉันจะรู้สึกอย่างไรและจะปฏิบัติอย่างไร ท่านจะไม่เสียเวลาและเกิดโมโหในการที่จะต้องไปเอาใจใส่กับสาเหตุต่างๆซึ่งก่อให้เกิดผลอันไม่พึงพอใจและท่านจะสามารถเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเคนเน็ตเอ็มกูดเขียนในหนังสือของเขาชื่อวิธีทำให้คนกลายเป็นทองคำจงหยุดสักนาทีหนึ่งเพื่อนึกเปรียบเทียบดูว่าท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง ต่อเรื่องของตัวท่านมากน้อยกว่าการเอาใจใส่ต่อเรื่องของผู้อื่นอย่างไรบ้างท่านจะพบความจริงว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เอาใจใส่แต่เรื่องของตนเองเหมือนท่านทั้งนั้นถ้าหากท่านยึดถือแบบอย่างริงคอนและโรสเวลชีวิตของท่านจะก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงแบบอย่างที่ว่านั้นก็คือผลสําเร็จอันงามในการติดต่อกับผู้อื่นอาศัยหลักความเห็นอกเห็นใจในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง ตลอดเวลาหลายปีมานี้ข้าพเจ้าได้ใช้เวลานานๆในการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเดินและขี่ม้าในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์คล้ายๆกับพวกพระดารุษสมัยชาวกรโบราณซึ่งเคารพ บ, บูชาต้นโอก๊กเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงรู้สึกปวดร้าวอย่างยิ่งฤดูแล้วฤดูเล่าที่ได้พบเห็นว่าต้นไม้เล็กและใหญ่ซึ่งกำลังขึ้นงามในสวนสาธารณะถูกไฟเผาตายไปเปล่าๆ สาเหตุไม่ได้เกิดจากนักสูบุหรี่เล่นเล้อทิ้งก้นบุหรี่ไว้แต่แทบทุกคราวเกิดจากพวกเด็กชายวัยรุ่นซึ่งมาเที่ยวที่สวนสาธารณะหาความสำราญกันด้วยการก่อไฟย่างไส้กรอกและต้มไข่ใต้ต้นไม้ในบางครั้งไฟไหม้อย่างร้ายแรงกระทั่งกองตำรวจดับเพลิงถูกเรียกมาจัดการก็มีอยู่บ่อยๆที่จริงมีป้ายอยู่ทางริมสวนสาธารณะแจ้งว่าผู้ทาให้เกิดไฟไหม้ขึ้น จะมีโทษถูกปรับและติดตารางแต่ป้ายนี้บังเอิญไปอยู่ในที่รับตาและมีเด็กเพียงไม่กี่คนมองเห็นสวนสาธาระนี้ดูแลความสงบเรียบร้อยโดยตำรวจม้าผู้หนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติงานเคร่งครัดนักดังนั้นไฟจึงไหม้ฤดูแล้วฤดูเล่าตลอดมามีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าวิ่งไปบอกตำรวจผู้หนึ่งว่าไฟกาลังไหม้ลุกลามในสวนสาธารณะและอยากให้เขาแจ้งแก่กองดับเพลิง ผลก็คือตำรวจผู้นั้นทำเป็นทองไม่รู้ร้อนตอบว่าไม่ใช่กิจธุระของเขาและไม่ได้อยู่ในเขตรักษาการของเขาข้าพเจ้าจนปัญญาดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าขี่ม้ามาเที่ยวอีกในครั้งหลังๆถ้าข้าพเจ้าได้พบเห็นเด็กก่อไฟข้าพเจ้าจะทำท่าทางเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลพิทักษ์รักษาสาธารณสมบัติในตอนแรกข้าพเจ้ามิได้ใช้ความพยายามมองแง่คิดเห็นของเด็กเหล่านั้นเลย เมื่อเห็นไฟก่อขึ้นใต้ต้นไม้ข้าพเจ้าเกิดความทุรนทุรายอย่างมากเกิดความร้อนใจอย่างยิ่งที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแต่แล้วกลับกลายเป็นข้าพเจ้าได้ทำในสิ่งที่ผิดไปกล่าวคือข้าพเจ้าขี่ม้าตรงไปยังเด็กชายรุ่นรุ่นเหล่านั้นเตือนให้รู้ว่าเขาจะติดตารางจากการเป็นต้นไฟออกคำสั่งให้เขาดับไฟด้วยเสียงแห่งเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะนี้และถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามข้าพเจ้าขูว่า จะให้ตำรวจมาจับตัวการกระทำของข้าพเจ้าทั้งนี้เพียงแต่เพื่อเป็นการระบายความอึดอัดใจของข้าพเจ้าโดยปราศจากความคิดคำนึงถึงแง่คิดเห็นของเด็กเหล่านั้นผลหรือท่านเด็กเหล่านั้นเชื่อข้าพเจ้าเชื่อยอย่างหน้าบูรหน้าบึ้งและขุนเคืองในใจแน่ละหลังจากข้าพเจ้าขี่ม้าไปตามเนินลับตาไปแล้วเขาก่อไฟอีกและอาจจะปล่อยให้ไฟไหม้สวนสาธารณะวินาทตลอดบริเวณ ครั้นเวลาผ่านไปหลายปีข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มขึ้นบ้างในเรื่องมนุษยสัมพันธ์การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวและการมีใจเย็นพอที่จะมองการกระทำของผู้อื่นในแง่คิดเห็นของเขาเหตุนี้เองแทนข้าพเจ้าจะออกคำสั่งเมื่อเห็นเด็กกอไฟข้าพเจ้าขี่ม้าตรงไปหาและพูดดังนี้สนุกกันมากไหมพ่อเด็กๆ เ, เธอกาลังทาอะไรกินสาหรับอาหารเย็นนะ่ะ เมื่อฉันเป็นเด็กฉันชอบก่อไฟเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันก็รู้สึกชอบอยู่เลยแต่เธอรู้หรือเปล่าว่าการก่อไฟในส่วนสาธารณะมันจะเกิดภัยขึ้นฉันรู้ดีว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันตรายอะไรแต่เด็กอื่นๆสิเต็มทนมากไม่ระมัดระวังกันเสียเลยคือเมื่อเขาเห็นเธอก่อไฟอย่างนี้เขาก็เอาอย่างบ้างและไม่ดับเสียให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านเหมือนพวกเธอผลก็คือเกิดไฟไหม้ขึ้นตามใบไม้แห้งและทําให้ต้นไม้ตายถ้าเลินเลิกกันอย่างนี้เสียหมดทุกคน ต้นไม้จะไม่มีเหลืออยู่เลยคนที่ก่อไฟทิ้งไว้จนไฟไหม้มีโทษถึงติดตารางทีเดียวนะที่ฉันพูดนะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาทำเป็นนายพวกเธอหรือมาขัดความสำราญหรอกฉันพอใจมากที่เห็นเธอสนุกสนานกันแต่ถ้าเธอช่วยกันเอาใบไม้แห้งทั้งหมดนั้นออกห่างจากกองไฟเสียและช่วยกันเอาขี้ดินกรบกองไฟกลบให้มากๆหน่อยก่อนเธอจากไปจะเป็นการดีไม่น้อยเธอทาได้ไหม คราวหน้าถ้าเธอต้องการหาความสนุกจากการก่อไฟเธอโปรดไปทำในหลุมทรายบนเนินไม่ดีกว่าหรือที่นั่นไม่มีอันตรายอะไรเลยขอบใจมากเพราะเด็กๆจงสนุกกันให้เต็มที่เถิดนะท่านรู้ไหมว่าคำพูดเช่นนี้กับคำพูดเช่นเมื่อก่อนเกิดความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแน่นอนทีเดียวคำพูดนี้ทำให้เด็กเกิดความต้องการที่จะร่วมมือปราศจากอาการหน้าบูดหน้าบึ้งปราศจากความขุนเคือง ทั้งนี้ก็เพราะเขาไม่ถูกบังคับให้เชื่อฟังคําสั่งนั่นเองมันช่วยคู่หน้าของเขาไว้เขาจะรู้สึกสบายใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้าก็รู้สึกสบายใจเพราะข้าพเจ้าจัดการกับเรื่องนี้ด้วยความพินิษพิจารณาในด้านแง่คิดเห็นของเขาพรุ่งนี้ก่อนท่านจะบอกใครสักคนให้ดับไฟหรือให้เขาเลิกคาในสิ่งที่ผิดผดิไม่ดีกว่าหรือถ้าท่านจะนิ่งหลับตาและพยายามคํานึงถึงแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน ท่านจงตั้งคำถามแก่ตนเองทำไมเขาจึงต้องการทำเช่นนั้นจริงอยู่การปฏิบัตินี้อาจจะเปลืองเวลาบ้างแต่จะเป็นการผูกมิตรและนำผลอัน ง, งามกว่ากันมาให้และเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งและทะเลาะเบาแหวงกันผมพอใจที่จะเดินกลับไปกลับมาตามทางเท้าหน้าสำนักงานสองชั่วโมงก่อนจะเข้าไปพบปะสนทนากับเจ้าของสำนักงานคณบดีดอนเฮมแห่งวิทยาลัยการค้าฮาร์วาร์ดกล่าว ยิ่งกว่าจะเดินตรงเข้าไปในสำนักงานของเขาโดยไม่ตรหนักแน่อยู่ก่อนว่าผมจะพูดว่ากะไรและเขาจะตอบว่ากะไรทั้งๆผมรู้ดีถึงความสนใจและความประสงค์ของเขาขอให้ถือว่าคำพูดนี้มีความสำคัญซึ่งข้าพเจ้าขอย้ำด้วยตัวอักษรเอ็งเพื่อเน้นให้เห็นความเด่นผมพอใจที่จะเดินกลับไปกลับมาตามทางเท้าหน้าสำนักงานสองชั่วโมง ก่อนจะเข้าไปพบปะสนทนากับเจ้าหน้าที่สํานักงานยิ่งกว่าจะเดินตรงเข้าไปในสํานักงานของเขาโดยเมตระหนักแน่อยู่ก่อนว่าผมจะพูดว่ากอะไรและเขาจะตอบว่ากอะไรทั้งๆผมรู้ดีถึงความสนใจและความประสงค์ของเขาถ้าหากว่าผลที่ท่านได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านแต่เพียงประการเดียว คือท่านเกิดนิสัยที่จะคำหนึงถึงแง่คิดเห็นของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งและมองเห็นเหลี่ยมมุมในด้านของเขาเช่นเดียวกับที่ได้มองเห็นเหลี่ยมมุมของท่านเองถ้าท่านได้รับแต่เพียงประการเดียวเท่านั้นจากหนังสือเล่มนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของท่านได้นำเนินอย่างมั่นคงไปสู่ความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนใจผู้อื่นไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุนเคืองกฎที่8มีดังนี้ จงพยายามอย่างสุดจิตใจที่จะมองสิ่งต่างๆในแง่คิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ง